นะโมตัสสะปะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโตัสสะปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโตัสสะปะกวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข อ, อนอมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส รัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโรองคนั้นฟังธรรมคำพุท ธ, ธะมหาหัตถิปะโทปะมะสูตทพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสองข้อที่สามร้อยสี่สิบเรื่องอุปมาเรียสัตว์กับรอยเท้าช้างมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ในพระวิหารเชตวันารามของท่านอนาตะบินทิกาเศรษฐีในเกตพระนครสาวพิถีก็ในสมัยนั้นแลท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วกล่าวว่าท่านผู้มีอยุทั้งหลายรอยเท้าเหล่าใดเหล่าหนึง่งแห่งสัตว์ทั้งหลายผู้เที่ยวไปบนแผ่นดิน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 เข้าในอริยสัจทั้งสี่ฉันนั้นเหมือนกันแหลอริยสัจสี่เ่าไหนเล่าอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐเรื่องทุกข์ความจริงอันประเสริฐเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ในความจริงอันประเสริฐเรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์และในความจริงอันประเสริฐเรื่องทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์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 ธาตุไฟและธาตุลมผู้มีอยู่ทั้งหลายก็ธาตุดินมีทั้งที่เป็นภายในและเป็นภายนอกธาตุดินอันใดที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของเข่นแข็งอันความยึดถือเข้าไปเสียแล้วเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อ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 จะไม่ปรากฏเล่าเมื่อเป็นเช่นนี้ความยึดถือด้วยตัณหามานะและทิฏฐิในธาตุดินนี้อันเป็นภายในนั้นจะไม่มีแก่ผู้นั้นเลยท่านบูมีอยู่ทั้งหลายหากว่าชนเหล่าอื่นจะดา่าจะตัดพพะกระทบกระที่เบียดเบียนเธอผู้นั้นใสเธอผู้นั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่า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 นหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ด้วยโอวาทอันเปรียบด้วยเลื่อยอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายถ้าว่าพวกโจรผู้มีความประพฤติต่าช้าจะพึงตัดอวัยวะน้อยใหญ่ของเธอทั้งหลายด้วยเลื่อยอันมีด้ามสองข้างไซภิกษุผู้ที่ยังใจให้บุตรทุสร้ายในโจรแม้เหล่านั้น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 ถึงพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระธรรมอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระสงฆ์อยู่อย่างนี้ผู้เบกขาอนาัยกุศลธรรมย่อมไม่ตั้งอยู่พร้อมได้เธอผู้นั้นย่อมสลดใจย่อมถึงความสลดใจเพราะเหตุนั้นว่าไม่เป็นลาบของเราแล้วหนอลาบไม่ได้มีแกเราแล้วหนอ เราไม่ได้ดีแล้วหนอการได้ด้วยดีไม่มีกับเราแล้วหนอที่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระธรรมอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระสงค์อยู่อย่างนี้อุเบกขาอันอาศัยกุศลธรรมไม่ได้ตั้งอยู่ได้ดีอังนี้ท่านบูมิยูทั้งหลายยิงสะพยเห็นพ่อหัวแล้วย่อมสลดใจ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 เปียกชุ่มอันความยึดถือก็ไปถือเอาแล้วคือน้ำดีน้ำเสลน้ำหนองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกน้ำไข่ข้อและน้ำมูดหรือจะมีสิ่งอื่นที่เป็นภายในเป็นของเฉพาะตนเป็นของเออบอาบ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 จะมีสมัยที่น้ำในมหาสมุทร้างอยู่เพียงชั่วเจ็ดลำตานก็มีเหลืออยู่เพียงชั่วหลำตานห้าลำตานจนถึงหนึ่งชั่วลำตานก็มีย่อมีสมัยซึ่งน้ำในมหาสมุทร้างอยู่เพียงชั่วเจ็ดบรุษก็มีค้ังเหลืออยู่เพียงชั่วหกบรุษชั่วห้าบรุษชั่วหนึ่งบรุษหรือชั่วครึ่งบรุษบ้าง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 ก็สากว่าเป็นแต่เพียงธาตุไฟเสมอกันตอนนั้นอันใครใครพึงพิจารณาเห็นธาตุไฟนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั้นไม่ใช่ของเรานั้นไม่ใช่เป็นเราเน้นไม่ใช่ตัวตนของเราก็เห็นธาตุไฟด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อนายจากธาตุไฟย่อมกลายกำนัด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 จึงเกิดขึ้นได้เถอผพุนันย่อมเห็นว่าผัสจะเป็นของไม่เที่ยงย่อมเห็นว่าเวทนาเป็นของไม่เที่ยงย่อมเห็นว่าสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงจิตอันมี้าเป็นอารมณ์นั่นเดียวของเธิผูุนันย่อมแล่นไปย่อมเลื่อมใสย่อมตั้งอยู่ด้วยดีย่อมหลุดพ้น ท่นผู้มีอายุทั้งหลายหากชนเหล่าอื่นจะพยายามทำร้ายเถือผู้นั้นด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจคือด้วยการประหารด้วยฝ่ามือบ้างด้วยการประหารด้วยก้อนดินบ้างด้วยการประหารด้วยท่อนไม้บ้างด้วยการประหารด้วยสาตราบ้างเถ่อผู้นั้นย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่ากายนี้เป็นสภาพ ที่เป็นไปแห่งการปรหารด้วยสิ่งต่างๆเหล่านั้นอันหนึง่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ในพระโอวาทอันเปรียบด้วยเลื่อยอย่างนี้ว่าพิษุัตังหลายแม้ว่าพวกโจรผู้มีความประพฤติต่ำช้าจะพึ่งตัดอวัยวะน้อยใหญ่ของเธอทั้งหลายด้วยเลื่อยที่มีด้ามสองข้างแล้วใช้เธอผู้ใด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 การประหารด้วยฝ่ามือด้วยก้อนดินด้วยท่อนไม้หรือด้วยสาราทั้งหลายจะเป็นไปในกายนี้ก็ตามทีเถิดคำสั่งสอนทั้งหลายของพระพุทธเจ้านี้เราจะกระทำให้จงได้หนังนี้ท่านผู้มีอยู่ทั้งหลายหากว่าเธอผู้นั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างนี้ระลึกถึงพระธรรม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 ภิกษุนั้นระลึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อยู่อย่างนี้อุเบกขาอัานอาศัยกุศลธรรมไม่ตั้งอยู่ได้ด้วยดีเท่นั้นย่อมถึงความสลดใจเพราะเหตุนั้นท่านผู้มีอยู่ตั้งหลายแต่ถ้าหากว่าเธอผู้นั้นระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนี้ระลึกถึงพระธรรมอยู่อย่างนี้ เราลึกถึงพระสงค์อยู่อย่างนี้ผู้เบิกขาอนาศัยกุศลธรรมย่อมตั้งอยู่ด้วยดีไซน์เถอนนั้นย่อมเป็นผู้ลื้มใจเพราะเหตุนั้นด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แหละคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสิ่งที่เธอนั้นพึงทำไม่มากแล้วต่นผู้มีอายุทั้งหลายอากาศอาศัยไม้อาศัยเถาวัน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 เป็นของไม่แตกทำลายแล้วและรูปทั้งหลายอันเป็นภายนอกย่อมมาสู่กรองแห่งจักสุทั้งความกําหนัดอันเกิดแต่จากสุและรูปก็ย่อมมีในการนั้นความปรากฏแห่งส่วนแห่งวิญญาณอันเกิดแต่จากสุและรูปนั้นย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้รูปแห่งสภาพ ที่เป็นแล้วอย่างนั้นอันใดรูปนั้นย่อมถึงความสงเคราะห์ในอุปท า, านขันคือรูปเวทนาแห่งสภาพที่เป็นไปแล้วอย่างนั้นอันใดเวทนานั้นย่อมถึงความสงเคราะห์ในอุปท า, านขันคือเวทนาสัญญาแห่งสภาพที่เป็นแล้วอย่างนั้นอันใดสัญญานั้นย่อมถึงความสงเคราะห์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 ก็ได้ทำให้มากแล้วในกรณีแห่งหูจ ม, มูกลิ้นกายและใจก็ได้กล่าวไว้อย่างเดียวกันและเมื่อท่านพระสารีบุตรได้กล่าวธรรมะปริยานี้แล้วภิกษุทั้งหลายในที่นั้นชื่นชมยินดีพาสิของท่านพระสารีบุตรนั่นแหละมหาหาัตถิปัทโทปมัสูตรอุปมาว่าด้วยรอยเท้าช้าง ฟังธรรมัมพุทธะ